ก็อบายาสูมิทั้งสี่ก็จะปรากฏที่จริงคำว่าอบายภูมิถ้ายิ่งใกล้าตายได้แล้วเนี่ยมาปรากฏชัดเลยบางทีก็อย่างก็พอใกล้จะตายก็ทรมานบ้งสุญยาคารังได้แก่เรือนว่างชาวบ้านเขาห้อมล้อมเนี่ยนะล้อมไว้ด้วยกำแพงหรือม่าน แล้วก็จัดเตียงไว้ตามประสงค์พระศาสด า, าพักผ่อนในที่นี้สำเร็จศีหะใส่ญาติบนเตียงด้วยพุทธประสงค์ว่าเรือนพักนี้ตถาคตใช้สอยแล้วกุศล น, นั้นจะมีผลมากแก่าชาวปากราิคามเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ประทับใช้สอยการใช้สอยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีพระดำริในการที่ว่าเออใช้สอยแล้วต่อไปจะเป็นประโยชน์ เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากครั้งนั้นพระผู้มีภาคเจ้าก็อนุโมทนาแก่สุนีทะและวัสการาพรารมณ์แล้วก็เสด็จกลับคือเขาเรียกมหมาหมัด มหมามาสุนิท h และมหามาตวัสการาพราม์แกนมคตสร้างเมืองปาตะลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีเทวดาจำนวนมากมก็จับจองนะที่เป็นพันๆแห่งในปาาตะลิคามจิตของพระราชาและราชาหมาหมาตที่มีศักย์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่จับจอง จิตของพระราชาและพระมหาหมัดที่มีศักดิ์ปานกลางก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์ปานกลางจับจองจิตของพระราชาและราชาหมหมาหมัดผู้มีศักดิ์น้อยก็ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยจับจองเทวดาเหล่านี้เขาสิง คือเข้าสิงในร่างของคนผู้เชี่ยวชาญในวิชาดูพื้นที่แล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นน่ะบอกว่าควรจะสร้างบ้านเมืองที่นั่นที่นี่ด้วยประสงค์จะให้พระราชาและราชามหมาหมาดผู้มีศักย์ใหญ่มีศักย์กลางกลางและศักย์น้องใกล้ชิดกับตนน่ะก็ทําศักการะตามสมควรแก่ตนคือเขามีคนไปดูพื้นที่ก่อนใช่ไหมเทวดาเข้าสิงเลย เทวดาที่มีศักดิ์ใจเพราะที่ตรงนี้เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ชอบเนาะโอ๊ยให้สร้างตรงนี้ดีกว่าสร้างคือดอนใจอะเนี่ยให้เขาเรียกว่าคนสมัยก่อนก็มีวิชาดูพื้นที่ปัจจุบนันเขาก็มีนะเขาเรียกพวกดูโงเ่เฮง ด, ดูอะไรดูห้องจุย้ยดูอะไรวิชาดูพื้นที่อันนี้เทวดาเข้าสิงเองเข้าสิง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเห็นเทวดาเหล่านั้นพากันจัดจองพื้นที่เป็นพันๆแห่งในปาติคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ขั้นในเวลาเช้าเมื่อเสด็จลุกขึ้นก็รับสั่งเรียกท่านพระอนุนมาตรัสถามว่าอนน์ใครจะสร้างเมืองในปาติคามท่านพระอนนก็ทูตตอว่ามหาหมาตสุนี้าและมหาหมาตวัสการพราม ชาวแคว้นมคธกําลังจะสร้างเมืองในปาตริคามเพื่อป้องกันพวกวัชิรพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาหมาสุนีท้าและมหามาตวัสกาลชาวแคว้นมคธจะสร้างเมืองในปาตริคามเพื่อป้องกันพวกวัชิรเหมือนได้ปรึกษากับพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วนะที่เนี้เราได้เห็นเทวดาจํานวนมากพากันจับจองพื้นที่เป็นบรรพันแห่งในปาตริคาม ด้วยทิฏประจักษ์สูงอันบรสุดเหนือมนุษย์จิตของพระราชาและราชามหมาหมาที่มีศักดิ์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่จับจองจิตของพระราชามหมาหมาที่มีศักดิ์ปานกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในในที่ที่เทวดาศักดิ์ปานกลางมาจับจองจิตของพระราชามหาหมตที่มีศักดิ์น้อยก็ย่อมน้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในที่ที่เทวดามีศักดิ์น้อยจับจอง ตราบใดที่ยังเป็นแดนที่อารยชนติดต่อกันอยู่ตราบใดที่ยังเป็นเส้นทางค้าขายตราบนั้นเมืองปาตริคามนี้ยังจะเป็นเมืองชั้นเยี่ยมเป็นย่านการค้าต่อไปแต่เป็นแต่เมืองปาตริคามนั้นจะมีอันตรายสามอย่างพระเจ้าบอกว่าหนึ่งอันตรายจากไฟสองอันตรายจากน้ำ สามอันตรายจากการแตกสามัคคีพระพุทธเจ้าเนี่เมืองปาตลิคามเนี่ยคือเป็นเมืองชั้นเยี่ยมเป็นเมืองดีเป็นม เ, เนมืองเจริญเออปัจจุบันในยุคล่างๆ ห, หลังจากที่พระเจ้าปริดิพฐานแล้วเมืองก็เขาเรียกเมืองเลยเมืองปาตลีบุตรที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่พุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิเราก็มาจากปาตลีบุตร เขาอกเป็นเมืองแก้ห่อผ้าเลยอะแก้ห่อสินค้าก็หมายความว่าใครจะแบกสินค้าไปขนาดไหนอะแก้ออกมาหมดแก้เอาอตรงไหนหมดก็เป็นเมืองค้าขายจริงๆก็พูกคนเนี่ยคนในยุคก่อนเดินขวักไขว่ไปมาผ้าอาริยะเต็มไปหมดเป็นเรือนแสนเลือนพันเลือนล้านเอในยุคนั้นในผ้าอริยะเยอะมากปัจจุบันเนี่ยเดินขวักไขว่เหมือนกัน ขอทานเต็มไปหมดใช่หไหมภายในพันสองพันกว่าปีแค่นั้นเองจากพระอยายะเต็นไปหมดเน่ยแค่สองพันกว่าปีกลายเป็นขอทานเต็มมนี่เป็นอย่างนี้ต่อมามหาหมาดสนีท้าแล้วมหามาดวสกาล r a ชาวแคว้นมคตเฝ้าเผยเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับสนทนาปล า, ายัยพอเป็นที่บันเทิงใจ เป็นทียรเลืกถึงกันอยู่ น, นั่ที่งนั่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีประภาคขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุปโปรดรับพัฒหารของพวกข้าพระองค์ในวันนี้เถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเนี่ยด้วยอาการดุษเนียะเมื่อมหามาสุนีท่าและมหามารสการะแฟนมาคตเนี่ย ทราบอาการของพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์จึงเข้าไปยังที่พักของตนสั่งให้จัดเตรียมเตรียมของขบขันอันประณีตในที่พักของตนแล้วก็ให้คนไปกราบทูลพุทธเจ้าว่าได้เวลาแล้วคันในเวลาเช้าพุทธเจ้าของอันตราวาศบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็ไปที่พักของมหาหมาตรนีทาและมหาหมาตรวัสการและแฟนมคตประทงังประทับนั่งบนพุทธอัทถิปูราชเษาไว้แล้วเนี่ย มหมาหมัดทั้งสองได้นำของขอบฉันอันปราณีตประเคนภิกษุพร้อมมีพุทธเจ้าเป็นประธานเนะี้ยให้อิ่มหนำด้วยมือของตนของตนเมื่อพระผู้มีภาคเสวยเสร็จวางพระหัตจากบาทมหมาหมัดสุนีทะและมหมาหมัดวัสกาและพรามไฝ่มคตก็เลือกที่นั่งนาที่สมควรที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนากถาว่า บัณฑิตอยู่ในที่ใดเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สมรวมประพฤติพรหมจรรย์ในที่ตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณาให้แกเหล่าเทวดาผู้สถิตยอยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้วย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน ด, ดุลมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแก่ อ, อกดังนั้น ผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายต้องต้องเอาไปคิดแล้วเอาไปคิดก็คือว่าเออเวลาให้ทานเป็นต้นเขาให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาด้วยที่อยู่หน้าที่ตรงนั้นด้วยเช่นเราปลูกบ้านหน้าที่ตรงไหนหรือว่าทา มีที่ทางอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยก็จะต้องมีเทพพยดาอารักษ์ดูแลรักษาอยู่ถ้าเราไม่อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราบูชาเขาเขาก็จะบูชาตอบถ้าเรานับถือเขาเขาก็จะนับถือตอบนั้นเมื่อเราให้เขาเนี่ยเดี๋ยวในสุดจริงเขาก็จะอนุเคราะห์เราเมื่อเขาอนุเคราะห์เราเนี่ยก็จะได้พบเห็นสิ่งที่จเจริญทุกเมือ่อ เราก็จะประสบสิ่งที่ดีงามเป็นต้นตรงนี้สำคัญมากนะ ก, ก็พยายามกระทาหลังจากที่อนุโมทนามาหมาดแล้วก็วสการะรามแฟ้มมคตเสร็จแล้วลุกจากพุทธอาจแล้วก็เสด็จไป ลำดับนั้นมหามาสุนีธาและมหามาตวัสกาละฟันมะคตเนี่ยก็ตามเสด็จพระผู้มีภาคไปเบื้องพระปลื้มแงด้วยคิดว่าประตูที่ท่านพระสมนโคโดมเสด็จออกไปในวันนี้จะชื่อว่าประตูพระโคโดมนี่ท่าที่พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ําคงคาก็จะชื่อว่าท่าพระโคโดมต่อมาพระพุทธเจ้าพระผู้มีภาคก็เสด็จออก ทางประตูนั้นฉนั้นประตูนั้นก็ชื่อว่าประตูพระโคดมคานั้นพระผู้ไอภาคก็ไปใกล้แม่น้าําคงคาเวลานั้นแม่น้ําคงคาก็เต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้คนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฟากบางพวกก็เที่ยวหาเรือหาแพบางพวกก็ผูกทุ่นพระผู้ไอภาคก็พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หายไปจากฝั่งนี้ อย่างเม่น้าคงคาก็ไปกฏฝั่งนโน้นเหมือนบุรุษผู้เหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเขาแล้วพระเจ้าก็เลยตรัสคาถาบอกว่าผู้ปราถนาจะข้ามภากบางพวกก็เที่ยวหาเรือบางพวกก็หาแพบางพวกก็หาทุน <c oughs> เมื่อพวกมีภาคเจ้านั้นทรงเปล่งอุทานบอกคนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพาน ข้ามสะใหญ่โดยไม่ให้แปดเพื่อนด้วยโคนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดข้ามพ้นไปแล้วตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของการข้ามเนยนะพูดถึงเรื่องของการข้าม คนมีสมาธิคนมีปัญญาหรือระดับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่จะข้ามสากก็คือตันหะในที่นี้เป็นชื่อของตันหาสภาพของตันหาเนี่ยทั้งกว้างทั้งลึกเนอะฉะนั้นถ้าจะข้ามตันหาได้ก็ต้องข้ามด้วยอริยมรรคคือสัมสมาทิฏฐิเป็นต้นเปลือกตมคือที่ลุ่มที่เต็มที่ข้ามได้ยาก คนผู้นี้แม้จะต้องจะข้ามแม่น้ําแม่นิดหน่อยก็ต้องผูกแพรส่วนผู้มีปัญญาคือพระพุทธเจ้าสาวกพุทธเจ้าไม่ต้องใช้แพก็ข้ามได้คําว่าชื่อแพในการข้ามในที่นั้นเป็นชื่อของอริยามรรคใ น, ะ ส, นนะสะพานเนี่ยสานั้นหมายถึงตัณหาเรายังข้ามสากคือตัณหาไม่ได้ใช่ไหมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยข้ามได้แล้วข้ามสากคือตัณหาได้แล้ว การมาตัญหาภพราะวะตัญหาวิภพราะวะตัญหานี่เป็นชื่อของสัตว์นี่เป็นไปได้การอย่างนี้ประการต่อไปพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจครั้งนั้นน่ะพระผู้มีภาคเจ้าก็เรียกท่านพระนนท์ตรัสว่ามาเถิดอานนนเราจะไปยังโกติคามเนี่ย ท่านพระนนท์ก็ทนรับรดําดำรัดของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมุดใหญ่ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่โกติคามรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรอมไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ประการเราได้เธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยานานนี้อริยสัจสี่เป็นฉะไหนภิกษุไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกอริยสัจ เราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวเร่ย่อนไปตลอดถึงกาลนานนานยาวนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขสมุทัยอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเล่ย่อนไปตลอดกาลนานยาวนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกข์คณิโรธอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวเล่ยล่อนไปตลอดตลอดกาลนานยาวนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขคณิโรธคาหมินีปฏิปทาอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเล่ย่อน ไปตลอดกันอันยาวนานอย่างนี้ภิสูจทั้งหลายเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกอริยสัจเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกสมุทัยอริยสัจเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกคานิโรธอริยสัจเราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกคนิโรธคาหมินีปฏิปทาอริยสัจเราและเธอทั้งหลายถอนภพาะว่ตัณหาได้แล้วบัดนี้เนี่ยพระ เว่เนติสิ้นไปแล้ว บ, บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระเจ้าตรัสไวยากราศศณ์ภาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลอานยาวนานแต่พอได้เห็นอริยสัจสี่เราและเธอทั้งหลายจึงถอนภาวะเนติได้ตัดรากเหง้าของทุกข์ ได้เด็ดขาดบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นมาที่โกติคามเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอะไรแสดงอริยสัจแสดงอริยสัจว์4คำว่าอริยสัจเนี่ยเขาแปลว่าความจริงเงินประเสรศิฐหรือว่าความจริงของอริยะหรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นผ้าอริยะ ประการแรกเขาเรียกทุกความทุกนี่นะสภาพที่ทนได้ยากสภาวะที่บีบคั้นขัดแยง้งบกพร่องขาดแก่งสารความเที่ยงแท้ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริงก็ได้แก่ชาติชรามรณะเนี่ยนะการประจบสิ่งอันไม่เป็นที่รักการรัดผ้ากับสิ่งที่เป็นที่รักปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็คือ อุปาทานขันหคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขา น, นั้นคือทุกข์ส่วนทุกขคสมุทั ย, ยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่การมตัญหาภวะัญหาวิภวะัญหาทุกขนคณิโรธคือความดับทุกข์ภาวะที่ตัญหาดับสิ้นภาวะที่เข้าถึง กำจัดอวิชชาสำหรับตัณหาเส้นแล้วไม่ถูกย้อมไม่ติดข้องหลุดพ้นสงบปลอบปร่งเป็นอิสระก็คือพระนิพพานทุกคานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ได้แก่ปฏิปทาที่นําไปสู่ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยะอัตถังคิกกรรมะคเนหรืออริยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างหนึ่งคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ว่าอริยสัตวสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมั้งพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเพราะเราและเธอไม่เห็นอริยสัตวสี่เราและเธอนั้นจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี่ตลอดกาลนานยาวนานเพราะเราและเธอได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์สเราและเธอนั้นจึงตัดชาติคือความเกิดเป็นต้นได้เป็นต้นทีนี้ ในคำสอนที่บอกว่าที่บอกว่าทุกสมูทายนี้รอดมกักไอตัวทุกข์นั้นได้แก่ขันเป็นต้นเหล่านี้นะอริยสัตว์เนี่ยทาที่พระอริยทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแทงตลอดเป็นสัจจะของพระอริย สำเร็จเป็นภาริยะได้ก็ต้องตัดสรุปในสัจจกทั้งหลายคําว่าทุกขังเนี่ยทุศัพท์นี้เขาแปลว่าหน้าเกลียดได้แก่ชั่วเร็วซามเช่นทุระบุตรบุตรชั่วเนี่ยส่วนขังเนี่ยเขแปลว่าว่างเปล่าฉะนั้นทุกขังจึงแปลว่าหน้าเกลียดเพราะเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่เร็วซามจัดว่าว่างเปล่าเพราะเว้นจากความยั่งยืน นั่นคำว่าว่างเปล่าในที่นี้คือเว้นจากความยั่งยืนเนี่ยเว้นจากความงานเว้นจากความสุขแล้วก็เว้นจากความเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนที่คนพ่านเขาถือเอาเหตุนั้นจึงเรียกว่าทุกข์เพราะหน้าเกลียดแล้วก็เพราะว่าว่างเปล่าเข้าใจยังคำว่าทุกข์ในที่นี้ถ้าสับบาลีก็เขียนว่าทุกขังใช่ไหมไ ท, ทุกข์ตัวนั้นก็แปลว่าหน้าเกลียด น่าเกลียดเพราะเป็นที่ตั้งเห็นความเร็วซามทั้งหลายเอาทำไมถึงบอกว่าเป็นที่ตั้งเห็นความเร็วเรวชะเร็วสามเนะ่ยพวกราค่โทสามโมหานี่เวลามันจะเกิดก็เกิดที่ขันขันนี้ใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเกี่ยนในกระดูกเป็นต้นเหล่านี้มันไม่ดีอะไรเลยนะมันไม่ได้ของสะอาดไ ม, ไม่ได้ของดีของเร็วเร็วของไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่เราจะไปว่าใครเขาเนี่ย ไอ้ชีก็บอกนี่ไม่มีอะไรดีอะไรเองเนี่ยอะไรเงี้ยนะก็โกรธเถ้าเขาเรียนแล้วเขก็รู้ใช่ไหมถ้าเขาไม่เรียนก็ไม่รู้เขาก็นึกว่าดีดีที่ไหนอ่ะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเขาบอกว่าของน่าเกลียดเท่งนั้นแหละทุตัวเนี้แปลว่าน่าเกลียดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกม้าหวัวใจเนี่ยน่าเกลียดทั้งหมดเลย ถังตัวนั้นเร ว, ว่างเปล่าว่างจากอะไรว่างจากความยั่งยืนใชว่างจากความงามว่างจากความสุขแล้วก็ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนยั่งยืนที่ไหนแล้วจักจะอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยต้องรีบหาไปดูที่นู่นที่นี่ลกลัวจะไปไม่ไหวแล้วนี่สแสดงบ่งบอกว่าไม่ยั่งยืนบ่งบอกว่าไม่ยั่งยืนนี่ กลัวนั่นเองเนะกลัวจะไม่ได้ได้ดูไปด้วยปัญญาหรือไม่รู้ว่าไปด้วยปัญญาหรือไปด้วยกิเลสไม่รู้เนี่ยมองให้เป็นปัญญาก็ได้นะไปดูทุกข์สัตว์แล้วก็ไปดูสมุทัยสัตว์ไปดูตัวทุกข์กับไปดูกับตัวตัณหาไปดูเช่นเราไปเห็นที่เขาสร้างเมืองเขาไว้เนี่ย ถามว่าไอ้ตัวสร้างเนี่ยมันตัวอะไรตัวตัณหาใช่ไหมตัณหาที่แหละมันตัวสร้างตัววิจิตบรรจงสร้างด้วยพิสดารเนี่ยไม่ได้สร้างด้วยปัญญาเนี้ยสร้างด้วยตัณหาเพราะเขามีความชอบมีความรักมีความผูกพันขึ้นมาเขาอยากจะสร้างอนุสรสร้างอะไรต่างๆให้เขาไว้นั่นแหละคือตัวตัณหาตัววิจิตมากมันก็ผลักดันทําให้กายกรรมวจีกรรมเนี่ยออกมาแล้วก็ทําให้คิด เขาว่าจิตวิจิตก็เพราะตัณหาวิจิตใช่ไหมตัณหาวิจิตก็เพราะสัญญาวิจิตเป็นต้นสัญญาวิจิตก็เพราะการกระทําวิจิตเงี้ยมันก็จะวิจิตทั้งมันจงมันไปเงี้ยถ้าเราไปดูแค่เนี้ยไปดูไอ้เมืองที่เขมรมันสร้างพวกนครธมนครวัดทั้งหลายเนี่ยบอกโอ้โหโลกมันขนาดนี้คนเราถึงมันติดกันอยู่สร้างได้บรรจงจริงๆนะแต่ละตัวแต่ละรูปปั้นแต่ละ แต่ละรูปเนี่ยใช้เวลาไม่ใช่วันสองวันเนี startups, all, go ่ยบางทีใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเนี่ยเป็นปีปีอย่างเงี้ยอันนั้นตันหานั่นเองเป็นผู้สร้างเราก็ไปดูความวิจิตของตันหาของผู้คนหนึ่งเผอๆไปเราอยู่หรือเปล่าก็ไปดูร้างเขาไปดูบางแห่งประทับใจขนลุกสู้ๆเลยบางแห่งเขาบอกโอ้พอไปดูบางแห่งบางคนที่ขนลุกเลยบางคนไปแค่ไป ไปดูว่ามันน้ำตาไหลพระมีพระอยู่องค์ท่านเกิดเป็นพระราชาเมื่อก่อนในอดีตหลายชาติมาสัญญาเก่าก็เกิดตอนที่ท่านยังไม่ได้บรรลุท่านชอบไปนั่งคิดถึงนางสนมกัน น, <c oughs> นางเก่งเลยคนเราในวัตตะมันผ่านมามันมีเรื่องอะไรเยอะ นี้ด้วยการที่ไม่แทงตลอดเพราะมีเอาวิชาเป็นเครื่องกลาการตัณหาก็ประกอบเขาว่าก็ทำให้มองไม่ตลอดมองไม่เห็นว่ามันเป็นโทษก็เลยเห็นว่าโอ้มันดีมันงามเนี่ย ก, ก็อยากจะไปไปชื่นชมกลับมาแล้วก็มาเล่าขาน <c oughs> นี่เป็นอย่างเงี้ยเป็นในโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่ได้เราไม่เคยตายก็าบองั้น ไม่มีที่ไหนเลยที่เราไม่เคยนอนตายที่ถ้าเราลึกได้จะไปนั่งร้องไห้ใช่ไหมไปสมมุติถ้าไประลึกได้จริงๆไปที่อันนี้มันหลุมฝังศพนี่ตอนนี้ก็หลุมฝังศพเรานี่ก็หลุมฝังศพเรานี่หยิบหยิบก้อนเศษไม้เศษอะไรขึ้นมาอันนี้มันกระดูกเรา <c oughs> ไม่มีเวลาสั้งโศกแล้วนี่เป็นนี้ความทุกข์เป็ น, านจากนั้นเขาต้องบอกว่าหน้าเกลียดแล้วก็ว่างเปล่า หาสาระไม่ได้หาความยั่งยืนไม่ได้หาความงามไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความเป็นอัตตาตัวตนไม่ได้ส่วนสมุทัยเนี่ยมาจากคาว่าสังเนส่าเนี่ยหม่สังบ่งบอกถึงความประกอบเข้าเช่นในคําว่าสมาสมาคมสเมตะก็แปลประชุมกันเป็นต้อนอุเนี่ยบ่งบอกถึงความเกิดขึ้นเช่อนอุ ป, ปนนาะอุทิตาเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นไป อะบ่งบอกถึงเหตุเมื่อความประกอบกันเข้าก็เป็นปัจจัยที่เหลืออยู่ที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเห็นทุกข์เหตุนั้นท่านยังเรียกว่าสมูทยัยเขาเรียกปัจจัยคือกิเลสหรือกรรมเป็นต้นที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนั้นสมูทัยนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวมอบทุกข์ให้ส่วนนีิโลธะนิโรธะเนี่ยนี่บ่งบอกถึงความไม่มีนะนี้เนี่ย โรธานี่แปลว่าคุกเออแปลว่าคุกก็ได้เหตุนั้นความไม่มีที่คุมขังเนะี่ยหมายถึงทุกข์ที่นับเนื่องในสังสารวัตรไอสังสารวัตนี่จัดว่าเป็นคุกเป็นคุกอย่างใหญ่ก็เรียกโรธาท่านนี้เนี่แปลว่าพ้นก็ได้แปลว่าไม่มีก็ได้ท่านนี้โรธาก็แปลว่าพ้นจากเครื่องคุมขัง พนจากทุกที่นับเนื่องในคุกคือสังสารวัตรเนี่ยฉะนั้นตราบใดที่เรายังเวียนไหวาตายเกิดไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็ถือว่าติดคุกเออบางทีไปเห็นคนติดคุกเนี่ยข้าก็บอกอว่าโหวน่าสงสารเหลือเกินคนถูกล่ามโซ่ตรวนเนี่ย ประมาณมากพระพุทธเจ้าบอกว่าโซ่ตรวนที่เขาผูกเขามัดเนี่ยท่าเป็นต้นเหล่านั้ น, นไม่เรียกว่าคุกไม่เรียกว่าที่คุมขังแต่สังสารวัตนี่สิจัดว่าเป็นคุกเป็นที่คุมขังของสัตว์โลกโดยแท้ที่เราออกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมตายแล้วก็ต้องอยู่ในที่คุมขังอย่างเงี้ยเพียงแต่เปลี่ยนสภาพไปแค่นั้นเอง เตียเป็นเปรตบางสัรกายบางสัตว์เดรัจฉานบางสัตว์นรกบางเป็นมนุษย์บางเป็นเทวดาบางเป็นพรหมบ้างแต่ที่สุดก็คือว่าออกจากคุกไม่ได้ออกจากเครื่องคุมขังออกจากสังสารวัตรไม่ได้แต่ถ้าทุกข์นธ์โลดเนี่ยก็แปลว่าปราศจากปราบไปแห่งทุกข์เพราะเป็นสัจจะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์เหตุนี้จึงเรียกว่าทุกข์นธ์โลดเพราะเป็นปัจจัยแห่งความดับ หรือเป็นความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นั่นเองทุกขานิโรธส่วนมัคนี่ท่านเรียกว่าทุกขานิโรธขามีนิปฏิบาัตาิเพราะดําเนินไปสู่นิโรธาเพราะเป็นธรรมมุ่งหน้าต่อนิโรธโดยไม่มีนิโรธเป็นโดยมีนิโรธเป็นอารมณ์นีมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุนิโรตนี่เขาเรียกว่ามัคทุกก็คือว่าอัดของเขาก็คือว่าบีบคั้น เป็นสังคตะมีปัจจัยปรุงแต่งเร่าร้อนแล้วก็แปรปรวนสภาพทุกเนี่ยขันของเราทั้งหลายเนี่ยนะ่ยเขาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเช่นสังเกตยังไงเอาว่าบีบคั้นที่เรานั่งอยู่นเนี่ยนะมันรายงานตลอดเวลาแล้วต้องเปลี่ยนต้องขยับมันรายงานตลอดเวลาทุกจุดของร่างกายเลยเนี่ย มันจะต้องรายงานมันจะบีบคั้นมันจะต้องคอยขยับขยเย็นอยู่ตลอดเวลานั่นก็บ่งบอกเลยบอกว่ามันบีบคั้นแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัายกรรมจิตตัวอาหารปรุงแต่งนะถามว่าเร่าร้อนไหมหูยเ ร, าาร่าร้อนอยู่นิดงนิดแปลบุ้นไม่คงที่หรอกนี่คือทุกข์ตาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและเปลี่ยนแบบเร็วด้วยแต่เราไม่เห็นเา่างไงยกตัว อ, อย่างเช่นว่า ตั้งแต่เด็กมาเป็นมาอายุจนแก่แล้วเนี่ยเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะว่ามันมันเขมันมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่จริงมันไม่ได้หยุดว่าเออขณะนี้เดี๋ยววันนี้วันเสาร์เราจะหยุดเปลี่ยนแปลงหนึ่งวันไม่มีเนะมันเหมือนโท่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่ามันลามแต่เราเห็นขี้ท่ออกอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เห็นน่อยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันละเอียดไม่เห็น แต่เราเห็นว่ามันแก่แก่ลงแก่ลงมันเริ่มหงอมเลยใช่ไหมนี่สเตเด์เห็นชัดว่ามันมันแปลปวนจริงๆอะมันเริ่มแปลปวนจริงๆนี่บง่งบอกชัดเลยว่าความแปลบวนของมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เห็นแบบว่าไอ้ถ้าอย่างยกตัวยอย่างเช่นภาพเขาทำเขาถ่ายให้ดูเนี่ยเช่นว่าค่อยๆผุดขึ้นแล้วก็บานแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ร่วงมันไม่ได้เห็นชัดๆอย่างเนี้ย ถ้ามันเห็นจะชัดอย่างนี้มันก็พอจะสะดุ้งสะเทือนบ้างอันนี้ไม่เห็นเพียงแต่ว่าโอ้โหไม่ได้เจอนานแก่ไปนานเลยอะไรเงี้ยจะทำท่าตกใจแต่พอเห็นพอมาอยู่ด้วยกันอีกหน่อยก็อี่ ก, ก็ก็ไม่แก่เท่าไหร่แต่พอนานๆมาเจอโอ้ดูผมก็งอกฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่นตาก็ลึกลงไปอะไรเงี้ยเงี่ยอาการความแก่เนียบ่งบอก อันนี้ก็คือความแปลปวนของเขาทะนั้นความแปลปวนตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ให้ทำปริญญาให้รอบรู้อะทําไมต้องกําหนดรู้จะได้ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาถ้าไม่กําหนดรู้ไม่รอบรู้ในที่สุดจริงๆตัณหามันฉาบติดอยู่ตลอดเวลาประการต่อมาคือสมุทัยเหตุก่อเหตุเข้าไว้ผูกเข้าไว้ในทุกข์ ผัวพันก็ไว้สมุทัยเนี่ยครับหน้าที่ของเขาคือมอบเขามอบทุกมาให้เช่นว่าเขามอบตามอบหูมอบจมูกมอบลิ้นมอบกายมอบใจมอบขนผลผมเล็บฟันหนังเนื้อเย็นอกระดูกอันนี้เป็นปัญหาเป็นตัวอยากความปรารถนาความต้องการทั้งนั้นเนี่ยก็ทํากรรมที่ทําให้เราได้สิ่งนี้นี่ปัจจุบันเรารับมอบมาแล้วรับมอบขันขันนี้มาแล้ว นี่แหละคือสิ่งดีไม่เล่าที่เรารับมอบมาเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนพวกวิ่งผัดกันแน่นะวิ่งวิ่งไปเขามอบไม้ให้คนมอบเขาสบายแล้วเขาไม่ต้องวิ่งแล้วโอโหพอเราได้รับมอบไม้เราวิ่งตาเหลือกเลยตอนเนี้ยขันนี้ก็เหมือนกันเพราะเขาโยนปุ๊บให้ขึ้นมานะโอ้โหพอเรารับขันวันนี้เราโอ้โหตอนเนี้ยเราที่ดูแลไปเ<ม>ขาบอกว่า พอรับมอบขันนี้เขาสั่งมาด้วยเนะอาบน้ำวันละสองครัง้งแปรงฟันวันละสามกินข้าววันละพอได้ลูกปุ๊บมาเนี่ยโอ้ดีใจเลยจาบอกว่าแต่พอ ม, มามาฟังกต <c oughs> ิกาทีนี้แกบอกอาบน้ำวันละกาวันละสองครั้งยิ่งเหนื่อยแนละ้วต้องเข้าห้องน้ำด้วยนะต้องกินด้วยนะ ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องศับต้องเปลี่ยนต้องเรียบวที่ถ้าอยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากไปทําอะไรตามใจก็ได้นะโอ้คํามอบไหมโอ้ที่จะนอนแบกนะที่มันน่าเจ็บปวดที่สุดก็คือว่าอมอบให้แล้วไม่เอาคืนไม่รับคืนด้วยเนี่ยคือสมูทไทยสว่วนนิโรธก็แปลว่าความว่างเป็นอาสังคตตะเป็นอมตะออกไปจากทุก มาก็คือนําออกไปคือเป็นเหตุเนี่ยให้เข้าถึงนิโรธเป็นความเห็นก็ได้หมายถึงเห็นวัตถุภานเห็นตามความเป็นจริงเป็นอธิบดีคือเป็นใหญ่ในการรองรับเอนิโรธมันเป็นอารมณ์ได้ทีนี้ถ้่าจะว่าโดยลักษณะเนี่ยทุกเนี่ยมีความเบียดเบียนเป็นลักษณะทําให้เราร้อนเป็นหน้าที่มีประวัติความเป็นไปไม่แล้วไม่รอดเป็นผลก็หมายความว่าทุกเนี่ยมี มีความเบียดเบียนเป็นลักษณะถามว่าลักษณะของทุกข์เป็นยังไงเขาจะเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาแห ล, ดดละลเขาจะเบียดเบีดดยนตลอดเวลาแล้วหน้าที่ของเขาล่ะก็คือทําให้เล่าร้อนเนี่ยใช่มโอ้กิจคืองานของงานของทุกข์กษัตริย์เนี่ยเขาจะไม่ทําให้เราสุขหรอกเขาจะทําให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลานี่กิจของเขาแล้วก็บอกว่ามีมีประวัติคือความเป็น ความเป็นไปไม่ไม่แล้วไม่หรอกหมายความว่ามีความเป็นไปอยู่ตลอดเวลามีความสืบต่อไปอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือคือผลผลผลปรากฏของทุก์มีความเบียดเบียนเป็นลักษณะมีความเร่าร้อนเป็นกิจเป็นหน้าที่แล้วก็มีความเป็นไปแบบไม่หยุดสืบต่อขันสืบต่อขันธาตายาุยตนะเป็นไปอย่างไม่ขาดสายอันนี้คือเป็นผล เอาไหมล่ะถ้าเขามอบให้เราแล้วเนี่ยแปลว่าสืบต่อไปเรื่อยๆสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติอ่าปัจจุบันเราเป็นมนุษย์เราทํางานมาเราคิดว่าเราอยากจะพักผ่อนแล้วใช่ไหมอยากจะพักผ่อนแล้วไม่ได้พักอยู่ไม่มีใครได้พักพักได้ไงเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องอะไรอยู่อย่างเงี้ยจะไปอยู่นิ่งๆไม่ได้เขามอบมาให้แล้วเนี่ยต้องไปเรื่อยๆ ทุกขสมุทัยมีความเป็นทุกข์ให้เกิดเป็นลักษณะก่อทุกข์ให้เกิดมีอันทาไม่ให้ขาดสายเป็นหน้าที่แล้วก็มีความห่วงใย เ, เป็นผลตันหานี่ยก็มีหน้าที่ห่วงทุกข์ขณีโรดก็มีความสงบแล้วก็มีความไม่เคลื่อนไม่เปลี่ยนสภาพเป็นหน้าที่มีความไม่มีนิมิตเครื่องหมายแห่งทุกข ส่วนทุกข์ขัิโรธะคามินิปฏิบัติก็มีความนําออกจากสังสารวัตรมีการทําความสลากิเลตแล้วก็มีการมีความออกจากนิมิตอภวัตินะเป็นผลอันนั้นในรายละเอียด ก, ก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีท่านก็ขยายทุกข์นะที่จริงทุกข์เนี่ยเป็นของหยาบไหมหยาบเป็นสาธารณาเกษัตรทั้งปวงไหมเป็น เพื่อให้สัตว์ผู้ติดอยู่ในรถของความสุขได้อาการเกิดบ่อยๆคือเกิดความสังเวชเนะี่ยไอสมูทัยเนี่ยอยู่ในอันดับสองเป็นเหตุแห่งทุกข์เพื่อรู้ว่าทุกข์นั้นเนะ่หากตัณหาไม่แต่งขึ้นมามันก็ไม่มีตัณหานั้นบรรดาให้ทุกข์เกิดไม่ใช่มีพระจุลพระเจ้าบรรดาเนนะียตัณหาต่างเป็นผู้บรรดาให้ อย่าไปคิดว่าโอ้พระเจ้าบันดาลให้ไม่ใช่ครับตันหาบันดาลให้นี้รออยู่ในอันดับที่สามเพราะว่าให้รู้ว่าความดับแห่งผลย่อมมีเพราะความดับไปเองเหตุ<อ>เพื่อความโล่งใจที่ได้เห็นที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายผู้มีใจสลด<อ>จากการถูก<อ>ทุกข์บีบคั้นแล้วก็แสวงหาทางออกส่วนมักอันนี้น เป็นอุบายบรรลุนิโรธเนี่ยเป็นธรรมที่นิโรธให้ถึงพร้อมด้วยการบรรลุต่อไปท่านก็ขยายคําว่าทุกข์ก็มีชาติทุกข์อภโ ก, กรกันติมูระกัทุกขะพะปริหาแล้วนะมูระกัทุกขะพะปะวติมูระกัทุกขวิชาเนยามูระกัทุกข์พระหินิกะคณนะมูระกัทุกเป็นต้น คำว่าชาติทุกข์เลทุกข์คือการเกิดความเกิดเป็นทุกข์เพราะเป็นจุดเริ่มแรกของทุกข์ทั้งปวงเช่นความแก่มีความเกิดเป็นต้นน่ยสัตว์พกมีความเกิดต่างก็ประสบทุกข์ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดในาบหรือในมนุษย์หรือเกิดในเทวภูมิเนี่ยอันนั้นเป็นจุดแรกของทุกข์เนยส่วนคาโปกะกันติมูลกับทุกข์เยทุกข์มีการลงสู่คันเป็นมูล การเกิดในท้องของมารดาเนี่ยเขาบอกว่าย่อมเกิดในกุฎิประเทศส่วนหนึ่งของท้องท้องในบริเวณท้องก็ไม่กว้างเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาเราไปเกิดในท้องเนี่ยเราเกิดส่วนหนึ่งก็ได้แก่ไปเกิดอยู่ใต้กระเพาะอาหารใหม่แล้วอยู่เหนือกระเพาะอาหารเก่าอยู่ระหว่างพอดีแล้ว นั่งทับกระเพาะอาหารเก่าอยู่อยู่ใต้กระเพาะอาหารใหม่ข้างล่างก็คือถังอุจจาระว่างั้นเดียข้างบนก็อาหารใหม่ท่ามกลางแห่งหน้าท้องและกระดูกสันหลังคับแคบอย่างยิ่งในท้องก็มืดมิดอบอวนไปได้วยกลิ่นเหมือนซากสัตว์ที่กินเนี่ยที่ที่ที่กลิ่นของซากสัตว์ที่ที่มารดาก็กินเข้าไปน่าเกลียด เหมือนกับตัวหนอนเกิดอยู่ในปลาเน่าเราก็จะไม่รู้นี่ไหมพระเจ้าว่าเนี่ยเหมือนเหมือนตัวหนอนเนี่ยไปเกิดอยู่ในปลาที่เน่าเน่าบูดบูดเนี่ยเหมือนขนมบูดหรือเหมืนเหมือนกระหลุำน้ําครั้มนั่นเลยร้อนอบอยู่ด้วยน้ําเลี้ยงในท้องของมารดาเหมือนถูกต้มเหมือนกับเข้าต้มมัดนั่นเองนั่งอยู่ไม่ไหวกายดุจขนมก้อนแป้ง สวยทุกหนักอยู่ตลอดสิบเดือนบ้างเก้าเดือนบ้างแปดเดือนบ้างก็ไปนั่งคิดทำไมเขาอาตรงนี้มาคิดรู้ไหมจะให้เบื่อหน่ายในการเกิดเพมันเป็นทุกขนะ์การอยู่ในคันเป็นทุกข์เมื่อวานก็เอาที่ตอนเด็กคลอดนะมาฉ า, ายให้เนนก็ดูบางคนก็ดูก็ร้องไห้เลยเนี่ยน่ะเนี่ย เขาบรรยายไปด้วยครับพระปริหาระนะมูละทุกทุกมีการบริหารคันเป็นมูลเนี่ยการบริหารคันย่อมเสวยทุกหนักในคลามารดาลื่นล้มนี่นะการเดินการนั่งการลุกการพิงตัวการขยับขยี้ต่างๆของมารดาเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตนเองเจ็บปวดแต่เราก็ลืมหมดแล้วนะทุกตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นทุกเนะี มีการฉุดกระชากลากถูกระแทกและการผักดันเป็นต้นเหมือนลูกแกะอยู่ในมือของนักเลงสุราสัตว์ย่ำสวยทุกข้าในเวลาที่มารดาดื่มน้ําเย็นก็เป็นเหมือนตกนรกหนาวเวลาดื่มน้าร้อนก็เหมือนกับตกนรกหลุมถานเพลิงในเวลาที่มารดากืนอาหารเย็นรสจะจัดเช่นเค็มบ้างเผ็ดบ้างอะไรโอ้โหรมานมากมันก็ปวดแสบปวดร้อน นี่เขาเรียกว่าทุกในการบริหารในค้าวที่มารดาบริหารกันถามว่าคิดแล้วให้มองเห็นว่าเป็นทุกข์ต่อไปไม่อยากจะเกิดในคันอีกแล้วอะไรเงี้ยเนะียให้คิดถึงขนาดนั้นเนะ่ยอยากจะเกิดดี <c oughs> ประการต่อมาคือว่าครับพระวิปัตสิมู ร, กระกับทุกข์อันนี้มีความวิบัติของคันนี่เป็นมูล เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเวชกรรมเช่นการผ่าตัดการผ่าการคลอดบางทีไปท้องนอกมดลูกบ้างอะไรบ้างโอ้ยสารพัดเลยไปเนี่ยอันนี้เ็าเรียกว่าทุกข์เพราะถูกขาผ่าตัดบางคนในี่ถูกผ่าสมองแต่เล็กเนืประการต่อมาก็คือว่าวิชายะมูระกับทุกข์ทุกข์มีการคลอด เมื่อวานนี่ก็เอาภาพยนตร์ที่เขาถ่ายตอนเด็กในท้องแล้วก็ตอนที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยมันค่อยๆคล อ, อดออกมาแล้วหมอก็ไปทำคลอดโอ้โหเวลาเขาจับหัวเด็กแล้วก็ดึงเนี่ยจับดึงดึงเนี่ยบางทีมีการหมุนก็อยู่แม้เสียวจริงๆโอ้โห ถ้าอย่างเราทำคลอดก็น่าจะหัวหลุดออกมาเลยนะตัวไม่ออกออกแต่หัวเขาบอกว่าเป็นทุกข์ที่เกิดเพราะสัตว์ผู้เกิดเนี่ยถูกลมกรร ม, มชวาดของมารดาเมื่อจะคลอดแต่ลมก็จะพัดผันศีรษะให้กลับลงตรงช่องคลอดอันน่ากลัวยิ่งคือมันหมุนไงเอาหัวออกอถูกเบ่งออกทางช่องคลอดอันคับแคบ ประดุดช้างใหญ่ถูกดันออกจากช่องดานและถูกบีบด้วยภูเขาคือเชิงการ เ, เหมือนสัตว์นรลกถูกบดด้วยสังคาตะบันพนนั้นเวลาช่องที่ออกมามันไม่ใช่โตอะไรเนี่ยนั้นเจ็บปวดมากว่าตอนนั้นน่ะเด็กเจ็บปวดมากเดี๋ยวว่าจะเด็กเลยแม่ก็เจ็บปวดพหินิ ก, กะขมะมูรากทุก ทุกมีการออกมานอกท้องมันดาเป็นมูลตอนนี้นะเป็นทุกเช่นกับเหมือนถูกแทงเหมือนถูกตัดด้วยปลายเข็มแล้วคมมีดโกนเลยทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเวลาที่เขารับทารกด้วยมือให้อาบน้ำล้างบนทินคันเนี่ยเช็ดด้วยผ้าร่างกายยังละเอียดอ่อนเช่นกับแผลใหม่ประสบทุกยิ่งนะ ฉะนั้นแค่มือของเราไปจับเนี่ยเขาก็โอ้โหทุกไม่รู้จะทุกอย่างไงแล้วงั้นถ้าเราไปดูอย่างเงี้ยมันทุกหน้าไม่น่าเกิดอ่ะใช่มไ้นี่หมอคนบางคนเขาคิดอย่างงี้เขาได้บรรลุเลยในเนี่ยเขาคิดแค่การคลอดออกมาตามลำดับอย่างเงี้ยหมอทำคลอดไม่เห็นบรรลุอะไรเลยใช่ไหมเขาไม่ได้ไปคิดแทงตลอดอะไร อตบ ป, ปกกามูรกรทุกทุกมีการทําตัวเองเป็นมูลหรือเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองเช่นสัตว์ที่ทําร้ายตนเองผู้ประกอบการทรมานเพื่อย่างกิเลสอย่างที่เาราเดรธีก็กระทากันเมื่อออกมาบางคนก็ยังมาทรมานอีกไม่กินอาหารบ้างแขวนคอตายเป็นต้นเหล่านี้หรือว่าโกรธจนตัวเองเป็นทุกข์ทาร้ายตัวเองเนี่ยปรูปัก กะมูละกะทุกทุ ก, ทกมีการถูกคนอื่นทํามาเป็นมูลอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากการกระทําของคนอื่นถูกฆ่าถูกจองจําเป็นต้นเหล่านี้ชาติความเกิดนี้มีความเกิดครั้งแรกในภพนั้นเป็นลักษณะและมีการมอบชีวิตอัตภาพเป็นหน้าที่มีความผุดขึ้นจากภพนี้จากอดีตเป็นผลนี่ยนะส่วนชราทุกทุกข้อความแก่เนี่ยชรลานั้นมีความแก่เป็นไปเหงื่อขันเป็นลักษณะ มีอันนำเข้าไปเองความตายเป็นหน้าที่ไอ้ชะลาเนี่ยนะหน้าที่ของชะลาเขาเป็นยังไงรู้ไหมมีความแก่ไปแก่หงอมของอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอนะไรเนี่ยแล้วถ้าชรลาปรากฏเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรรู้ไหมนําไปหาความตายเขาต้นเราเนี่ตอนนี้เขาต้นแล้วเขาต้อนมันมีอยู่ทางเดียวด้วยตนนยว้นเนี่ยไม่ไปอะไรอื่นเน่ะตอนตอนตอนไปหาอะไรไปหาความตายใกล้ถึงยังไม่รู้ แล้วก็มีความเสื่อมหายไปเห็นความเป็นหนุ่มสาวตอนนี้หายหมดแล้วความเป็นหนุ่มสาวดโดนโูกเก่าๆกับโลกปจัจจุกับกับคนปัจจุบันนี่ย่าง ก, กับคนละคนมีคนคนหนึ่งก็าเล่าใหฟังะเล่าฟังละเข้ไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งยี่สิบปีเพราะกลับมาพ่อก็ไปรับที่สนามบินพ่อเ็นร้องไห้ร้องไห้ ก็ถามว่าพ่อร้องไห้ทําไมบอกร้องไห้โดยเหตุสองประการคือไม่ได้เห็นลูกตั้งเกือบยี่สิบปีร้องไห้อีกทีนึงก็ผมใช่ลูกเราเปล่าก็ไม่เนาะต้องดำต้องอ้วนก็ว่างั้นเนาะแล้วก็าเขาตัวเขาน้าเกลียดจริงๆนาะอ้วนด้วยดําด้วยคือตอนไปก็หุ่นก็ดีๆนี่นหะไปอยู่ต่างประเทศพอกลับมาเลยไปคนละคนเลยพ่อร้องไห้เลยเห็นไหมนึกว่าไม่ใช่ลูก เนี่ยสะเทือนใจก็ว่างั้นก็เลยไปทำแล้วก็เลยไปลดน้ำหนักลดไปลดมาเหลืออยู่หกหกสิบแล้วตอนนี้ตอนนี้ดูดีขึ้นนาหน่อยจากร0อกว่า ก, กิโลเนี่ยร้อยกว่า ก, กิโลเหลือหกสิบกิโลที่ที่ดพ่อหลยพ่อร้องไห้ <c oughs> พ่อจำไม่ได้เนี่ยชลาเนี่ยมันนำเบี่ยงาความตายอย่นีความชลาเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งหลายความหย่อนยานแห่งอา ว, าวัยวะน้อยใหญ่ความพิการแห่งอินทรีย์เนะย ความพิการแห่งตาหูจมูกลดินกายเป็นต้นเนี่ยความที่รูปร่างวิกลไปความเป็นหนุ่มก็หายไปความเพียรความกล้าตกไปความจําความคิดอ่านก็จากไปแล้วก็เป็นที่ดูแคลนของคนอื่ น, น, นเวลาชราหมหาเนี่ยบางทีบางคนก็เช่นบางคนเป็นเบาหวานก็ถูกตัดนิ้วมือบ้างบางครั้งก็เดินไม่ได้บางขารีบบ้าง มีความพิกลพิการไปตาหูฟ้าฟางนคนอื่นเขาเห็นเขาก็เขารังเกียจแล้วเขาดูแคลนเราแล้ ว, ลวนี่ฉลานเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนรังเกียจเราเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าลองทุกข์ก็เดินก็ไม่ได้หูก็ตึงเลยโอ้โหอนนี้ถราจะเป็นยังไงทำไงยอมพิจิต จะถามว่ใครเนี่ยยอมงําพิษอโอ้โหม่ไปเร็วขนาดนี้ทั้ง น, นั่งรถเกียน์้นยยุ่งเลยคนรังเกียจจริงนะเขาดูแครนโนูกหลานมาดูก็ไม่อยากจะดูมีอยู่รายหนึ่งนะเดินยังไม่เดินไม่ได้ไปฟอกเลือดเดินก็ไม่ได้โอ้โหมาตัวตัวก็ตัวก็แข็งแข็งเนียขาก็ถูกตัดแล้วมั้งมันนึกโอ้โห บอกแม่สู้กันหน้าดูในชีวิตในตึกในใจเวลาจะขึ้นเตียงขึ้นอะไรแต่ทีเขาต้องจับโยนขึ้นเนยะเสียงร้องเออเออพูดก็ไม่ชัดแล้วเพราะเป็นเหมือนเอามาพึกเนี่ยลูกหลานก็ชักไม่ค่อยอยากดูเท่าไหรนะ่แล้วลูกหลานเพราะเหลือครึ่งตัวแล้วเหลือครึ่งเดียวนะั่นเนี่ยไปมาแล้วก็เดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้บอกโอ้โหสังสารวัตรนี่ขนาดนี้เลยนีเนี่ย นี่คือชะลานี่เลยคือคือพยาธิส่วนวรณาทุกเนี่ทุกคือความตายในวรณะ t h i มีมีการจุดติคือการเคลื่อนไปจากปัจจุบันภพนี่เป็นลักษณะมีวิโยควิโยคคือความพลาดไปจากสัตว์และสังขารเป็นต้นเป็นหน้าที่แล้วก็มีคัติวิปวาะพัดพาจากคตัติตามที่ตนเข้าถึงแล้วนี่เป็นผลความตายเป็นที่ตั้งแห่งทุกทั้งหลายเช่น ต้องพลัดพรากจากคนที่รักที่เคารพนับถือต้องจากสิ่งที่ตนรักมีบ้านสุนัขเป็นต้นของใช้เป็นต้นแล้วก็พลัดพรากจากความเป็นมนุษย์โดยไม่รู้ว่าจะไปอยู่ณที่ใดเพ้นความตายนี่โอ้โหบางคนนี่พูดเลยมันก่อนถามโยมที่เขาป่วยยังไม่อยากตายก็ว่าคือ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่รู้คติข้างหน้าใช่ไหมว่าจะไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปได้ดีหรือมันจะไปตกยากเนี่ยก็เลยยังไม่อยากจะจากไปอา่าไม่อยากจะจากทำยังไงหมอที่ไหนดีก็ไปยาที่ไหนดีก็รักษาใหญ่นี่ความไม่อยากตา่างไม่อยากจะจากสิ่งของนั่นเองเราไปมองบ้านมองรถมองที่อยู่อาศัยมองเพื่อน มองสิ่งของต่างๆแล้วมันยังไม่อยากมันยังเอาวนอะไรเอาวนอลองไปมองแล้วลองลองกเคยไปพูดกับเขาดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเาฉันก็จากเองแล้วพูดไปเจอเพื่อนบ้านเจอใครนะเดี๋ยวเราก็จะจากแล้วนี่มันเตรียมสั่งลาไว้แล้วไม่ค่อยกล้าพูดหัวเป็นล้างไม่ดีก็รจริงๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเราเห็นเห็นกันเดี๋ยวก็ เหมือนกับการไปสั่งลากันโศกานี่คือความโศกเป็นความเร้าร้อนของจิตแห่งบุคคลผู้ถูกทุกข์มีการสูญเสียญาติเป็นต้นนั่นเโศกาดโดยใจความก็คือโทมานัตเนี่ยโศกาดมีความตรอมตรมภายในเป็นลักษณะมีความกลมเกรียมใจเป็นหน้าที่มีความละห้อยหาเป็นผลแล้วก็โศกาดนี้เป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือการสูญเสียของที่รักบ้าง ถูกความโศกครอบงำถูกทิ่มแทงเนี่ยเหมือนลูกสอนอาบยาพิษแทงเอาหรือเหมือนถูกเหลาเหล็ก เ, เมื่อความโศกเนี่ยเศร้าเข้าขโหลนเนี่ยกินอาหารก็ไม่ได้คนเราเนี่ยเวลาความโศกมามากๆนะกิน ก, ก็กินไม่ค่อยได้นะใครเคยโศกถึงขนาดกินข้าวไม่ได้หรือ ย, ยังเคยถึงขนาดนั้นหรือยังยังไม่ถึงเนี่ย ในชีวิตหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องเจอจะได้ถ้าเจอขนาดนั้นโอ้โหโศกจริงจริงปริเทวะนี่คือการคร่ำครวนอันนี้คือการสูญเสียญาติเป็นต้นบนเพ้อ น, น, นั่นเองมีการลำพันถึงความดีความไม่ดีของคนที่ตนเองรักและไม่รักนะกลิ่งเกลือดแล้วก็บุคคลผู้ต้องสอนโศก ปะหารแล้วก็คร่ำควรวญได้รับทุกข์หนักยิ่งขึ้นส่วนทุกขนี่หนาหมายถึงความทุกข์กายเนี่ยมีความบีบคั้นกายเป็นลักษณะแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทมนัสปัญญาก็ไม่ก่อยเกิดส่วนโทมนัสเนี่ยมีความบีบคั้นจิตใจเป็นลักษณะไอ้ตัวนี้เป็นโทสะมูลจิต มีความคับแค้นใจก็คือป่วยทางใจนั่นเองโทมานัสนี่ถ้าประสบความทุกข์แล้วเนี่ยก็บางคนก็สยายผมร้องไห้ทุบ อ, อกหมุนตัวไปมาถ้าใครเคยเห็นคนร้องไห้อย่างนี้ก็แสดงว่าเทุกข์จริงเช่นบางคนเช่นว่าญาติประสบอุบัติเหตุเนี่ยเห็นร้องไห้เนี่ยโอ้ยร้องแบบไม่อายกันเลย กลิ้งไปกลิ้งมาเลยถึอยงอุปายาตก็คือความคับแค้นใจอันนี้ความเกิดจากความสูญเสียญาตอุปายาตที่มีความแผลเผาจิตเป็นลักษณะแล้วก็มีการทอดถอนใจเป็นหน้าที่นีตรมตรอมเป็นผลอุปายาตเนะี่ยมีเป็นทุกข์ที่มีประมาณอย่างยิ่งวงมันมีประมาณที่มากกว่าโสกกาปริเทวะทุกขะแล้วก็มากกว่าโทมนัส เหมือนกันกับว่าการเดือดจนแห้งไปของน้ํามันภายในภาชนะนี่เป็นอุปายาคนถึงอุปายาตในพวกนี้เป็นลมเนี่ยน็อกไปเลยเงี้ยโมโหโกรธเลยกันน็อกเสียใจอลไกันน็อกส่วนอัป ป, ะ ป, ปยะสัมปโย้าทุกประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักเออแปลกไปที่ไหนเราไม่ชอบใจใครนี่ก็กเป็นทุกข์กัน บอกถ้าจะต้องไปร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบหน้าเนี่ยอันนี้ทุกข์เยอะเกิดนยการเข้าร่วมกับสัตว์และสังขารที่ไม่ชอบใจอันนี้เป็นอปิยะตามประโยคะมีการพรบปะกับสัตว์และสังขารที่ไม่ปราถนาโอ้โหต้องไปนั่งกินข้าวด้วยกันด้วยเนี่ยแล้วก็มีการทําความคับแค้นอึดอัดเป็นหน้าที่ถ้าเกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนี คือเห็นก็เกิดความเกลียดความไม่ชอบทีนี้ใหม่ๆก็แค่ไม่ชอบนาเข้านาเข้าก็ทําลายกันด้วยกายและวาจาส่วนปียะเวปโยคก็คือพัดภาคจากสิ่งนั้นเป็นที่รักพลัดภาคจากสัตว์และสังขารนั้นเป็นที่รักมีความพัดภาคจากวัตถุที่พอใจเป็นลักษณะ ยางความโศกให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความเสียหายไปเป็นผลคนเขาคนไม่มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมากม็มีปัญญาที่จะเกิดขึ้นความปรารถนาและไม่สมหวังความปรารถนาในสิ่งที่ไม่มีทางจะได้ทั้งหลายเช่นถ้าปรารถนาว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ถ้าปรารถนาอย่างนี้เป็นทุกข์ขอให้เราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่าได้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างงี้นี่ปรารถนาสิ่งที่ไม่มีทางที่จะได้ทั้งหลายนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่ายามปิดฉังนรปฏิตามปิดทุกขังความปรารถนาอยู่แต่ไม่ได้ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอันนั้นก็เป็นทุกข์มีความขุ่นเคืองเป็นต้น ความปรารถนานั้นมีความต้องการสิ่งที่ไม่มีทางจะได้เป็นลักษณะแสวงหาสิ่งที่ไม่มีทางจะได้เป็นหน้าที่มีความไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็คือไม่ได้ปรารถนาในสิ่งที่ไม่มีทางจะได้ที่บอกว่าเป็นผู้มีความเกิดเป็นต้น ตั้งแต่ชาติทุกเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุกขณิเทศนี่เนี่ยทุกอันใดที่ไม่ได้ตรัสไว้ในทุกขณิเทศกคืีทุกทั้งปวงนั้นเว้นอุปาทานขันธ์ห้าเสียก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงตรัสบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ห้าเป็นทุกนี่ท่านก็ตรัดในลักษณะของคําว่าทุกนี่นี่เป็นอย่างนี้นะนี่คือตัดเรื่องทุกขสัจจาก ฉะนั้นทุกทั้งหม ด, ดังที่ได้กล่าวมาทั้งบทนี้เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้ควรที่จะไปรอบรู้ทําไมต้องเอาทุกเหล่านี้มาวิจัยรู้ไหมเพราะว่าจะได้เกิดความเบื่อหน่ายและจะได้ไม่ตั้งจิตปรารถนาในการที่ต้องการความเกิดอีกต่อไปส่วนสมุทัยเนี่ยได้แก่ตัณหาเป็น เ, เดชให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความกาําหนัดความเพลิดเพลินแนวอารมณ์ทั้งหลายคือการมมาตฐานภาวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ย เหตุให้เกิดทุกข์สมุ ท, ทยัยตัณหาที่ก่อให้เกิดพบเสมอทําให้สัตว์ติดอยู่ในวัตฏานี่เนะตัณหามีชื่ออยู่หลายอย่างนะโปโนภวิกาความก่อเกิดพบใหม่ปุณพภาวะความเกิดพบใหม่ก็ได้โปโนภวิกาก็ชื่อตนานันทิราคาสากตาก็เป็นชื่อของตัณหานันทิราคาคือความยินดีความเพลิดเพลินตนะัดตะลาตัตราพินันทีนีอันนี้ เกิดเนี่ยอาจจวภาพตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งเหยิงถ้าตัณหาหกก็คือรูปตัณหาสัทธาตัณหาคันธาตัณหาราสาตัณหาโภทะพาตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหาเป็นต้นถ้าตัณหาที่เป็นไปกับความเห็นผิดอันนั้นเป็นภวะตัณหาที่เป็นสัตสตาทิฏฐินี่นะ วความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่เป็นไปกับอุเฉติฐิอันนี้เป็นวิภาวะตัณหาประการต่อไปก็คือนิโรธสัจจะคือการสำรอกการดับกิเลสไม่มีเหลือการปล่อยวางความพ้นเนี่ยความไม่ติดอยู่เห็นนิโรธเนี่ยความดับโดยการสำรอกชื่อวิราคานิโรธความดับโดยการสำรอกอย่างไม่มีเหลืออันนี้ อ, อาเสสวิราคานิโรโท เป็นต้นนิพพานนั้นมีความสงบเป็นลักษณะมีความไม่เคลื่อนคือการไม่เปลี่ยนสภาพเป็นหน้าที่มีความไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแห่งทุกข์แล้วก็ความไม่มีเครื่องน่วงเหนียวเป็นผลมีลักษณะของนิพพานประการสุดท้ายก็คืออริยมตรตมีสัมมาทิฏฐินี่นะีความเห็นชอบความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมู ท, ทยัยในทุกขนิโรธใน ทุกขันิโรธาขามินีปฏิปทานนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญามีนิพพานเป็นอารมณ์ถอนอวิชานุใสสัมมาทิฏฐิมีความเพียรชอบเป็นลักษณะมีการประกาศความจริงเป็นหน้าที่มีการทําลายความมืดคืออวิชานะเป็นผลเขาก็ะจายไปตามลํำดับลักษณะเนี้นะส่วนสัมมาสังกปปก็คือการดําหลีชอบความดําหลีออกจากการดําริีในการไม่พยาบามดําหลีในการไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นสัมมาสังกปะ ลักษณะของสัมมาสังกัปปะก็คือยกจิตขึ้นสู่ทางไปพระนิพพานที่สัมพยุตด้วยสัมมาทิฏฐิกำจัดมิจฉาสังกัปปะคือความดำานิผิดออกเสียได้แห่งพระโยคีผู้มีทิฏฐิอันถึงพร้อมแล้วอันนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะก็มีการยกจิตขึ้นเป็นลักษณะความตรึกอยู่ในทางเป็นหน้าที่แล้วก็ละมิจฉาิมิจฉาสังกัปปะ ส่วนสัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจอ้อแล้วก็นี่เป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจามีเว้นไงงดเว้นจากมิจฉาวาจานะอันสัมยุญประกอบพร้อมด้วยสัมมาสังกปร์ถอนวจีทุจริตเสียได้แห่งพระโยคีผู้มีสัมมาทิฏฐิตรึกอยู่ด้วยสัมมาสังกปร์ชื่อว่าสัมมาวาจาฉะนั้นตัวสัมมาวาจาเนี่ย ก็มีการกำหนดถือเอาประมวลสัมพยุทธธรรมไว้เป็นลักษณะมีความละเว้นเป็นหน้าที่มีความละมิจฉาวาจาเป็นผลแลวก็เป็นต้นฉะนั้นในการกล่าวในอริยมรดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยที่คือเป็นการกล่าวอริยะสะัจวันนี้ยังไม่ทันจบเนี่ยพอดีมวนเทปหมดตล้วก่อนก็น กาวในเรื่องของที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจในปภาษาสุดท้ายที่ในมหาปริณิพานสูตรที่บอกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานยาวนานแต่พอได้เห็นอริ ย, ยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากเราและเธอทั้งหลายจึงถอนภาวะเนติ คำว่าภาวเนติเป็นชื่อของตัณหาตัดรากเง้าแห่งทุกข์ได้ขาดบัดนี้พบใหม่ไม่มีก็คือพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจเพื่อเป็นปัจจัยการแทงตลอดอริยสัจมันเองแล้ววันนี้ก็สมควรเก่วเวลาเนี่ยเ ด, ดจเจริญกรรมฐานกัินสักเล็กน้อย